220ผู้ไม่สิ้นทุลีแห่งวิปลาสก็ยังก่อนิยายที่เป็นภัยอยู่เพราะปุถุชนทุกคนล้วนจมงมอยู่กับฝันในชีวิตตื่ น, นก็ตามหลับก็ตามที่เป็นไปกับความเป็นโลกีหรือโรคธรรมแดนี้แหละจึงสร้างนิยายการไว้ในโลกเต็มโลก และยังคงสร้างกันอยู่ไม่หยุดกันลงได้ในความเป็นโลกนิทานของโลกหรือนิยายชาวโลกีนี่คือภาวะที่มีเป็นนิรันสำหรับผู้ยังมีสัญญาว่าเที่ยงในความเป็นนิรันเช่นชาวเทวานิยมที่ยังยึดถือความเป็นนิรันว่า เป็นภาวะสูงสุดของที่สุดอยู่ยึดพระเจ้าเป็นต้นภาวะที่สูงสุดที่สุดกว่าใดใดก็คือภาวะธรรมะหนึ่งอันไม่เที่ยงแล้วแต่วิญญาณหรือธาตุรู้ของกลุ่มวิญญาณใดหมู่เขาถือเป็นสมมติสัจจากกาก็ของหมู่นั้น สำหรับหมู่อื่นก็มีสมมุติสัจจะของหมู่อื่นของเขาไปย่อมแตกต่างกันได้ไม่เที่ยงไม่ตรงกันได้จนกว่าใครจะมาเห็นตรงกันในความเป็นปรมัาถสัจจะจึงจะเป็นสัจจะเดียวกันและต่างก็ยึดปรมัตถนั้นๆของตนของตนเป็นสัญญาญาณิจานิของแต่ละคนอยู่อีกนั่นแหละก็สุดแต่ละคน ชาน h i s เองคืออิสรภาพสมบูรณ์ของเอกกรุดบรรดามีในโลกจึงไม่มีความหลงในโลกธรรม8ปดรู้จริงเหตุนิทานสมุทัยปัจใจที่ปุถุชนคนผู้อวิชชาจะหลงว่ามันคือความจริงกันจริงๆทว่าที่แท้คือฝันของปุถุชนคนผู้อวิชชา แต่อรหันจะรู้ว่าอะไรควรแก่ความจริงอะไรควรแก่ฝันที่ยึดถือกันว่าเป็นความจริงจริงๆนั้นมันเป็นแค่เหตุนิทานสมุทายปัจจัยของวิปลาสสามซึ่งมันทํางานปรุงแต่งกันขึ้นมาให้คนยึดถือว่าเป็นความจริงคนก็หลงโมหะกันเพราะอย่างไม่พ้นวิปลาสี ไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความจริงสัจจะสองได้แก่สมมุติสัจจะกับปรมัราทสัจจะกันได้ง่ายๆเลยผู้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงจึงสามารถหยุดยุติอยู่กับยุติธรรมไม่มียุทธะไม่มีระณะเป็นผู้อารณะอยู่กับสารณะได้อย่างมีสโมสารนาให้เป็นเอกได้จริง รู้จักรู้แจ้งรู้จริงที่จะพักอยู่กับภาวะนัปุงสกลิงก็สามารถประกอบให้ตนได้แล้วสมบูรณ์จึงเป็นผู้หมดภัยในโลกในสังคมได้อย่างเป็นจริงเป็นผู้ไม่สร้างนิยายที่เป็นภัยขึ้นในโลกในสังคมอีกแล้ว